วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องพระสารีบุตรครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงแต่งตั้งท่านพระสารีบุตรเพื่อทําประกาศนียกรรมในกรุงราชครื่แก่พระเทวทัตโดยประกาศว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมของพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัต พระพฤทิสิ่งใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งพระสารีบุตรเพื่อทําประกาศนียกรรมในกรุงราชครื้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 สิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้คร้นพระสารีบุตรได้รับแต่งตั้งแล้ว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 สิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตเองคนทั้งหลายในกรุงราชคฤึกที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้เป็นคนริษยาริษยาลาบสาการะของพระเทวทัตส่วนพวกที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความรู้ดี